ต่อจากนี้ 5 กรกฎาคม 2540 ที่พุทธสถาน คราวที่แล้วอาตมาได้เทศน์ให้ฟังแล้วว่าเรื่องของมนุษย์นี่ก็มีกรรมเออเป็นตัวหลักของชีวิตถ้าเผอว่าเราไม่รู้ว่ากรรมเป็น มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างที่จะทําให้ชาติทุกๆชาติในสังสารวัฏถ้าเผลอ และถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ว่าเรื่อยๆๆๆ แล้วจิตใจก็ไม่เป็นทุกข์จิตใจสะอาดผ่องใสจิตใจดีงามเกิด ก็ยังมีหลักประกันที่แน่นอนว่าไม่จะทําละบาปกรรมชั่วอะไรไม่ทํา หยุดอกุศลหยุดทุจริตนั้นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ก่อ เสียหายอะไรหายอะไรตนเองก็อยู่มีแต่สิ่งดีเจริญงอกงามชีวิตได้แล้ว ว่าจะทําอย่างไรให้ชีวิตดําเนินไปอย่างพัฒนาพัฒนา นะหยุดได้เด็ดขาดกรรมดีนั้นแม้จะสั่งสมเข้าไปอีกเท่าไหร่ กิเลสหรือของอกุศลนั้นสูญแต่กุศลนั้นไม่ได้สันโดษไม่ได้หยุดๆแต่จะสูญเมื่อไหร่ได้นั่นคือจุดวิเศษนะเป็นจุด ความรู้ที่ยิ่งหยอดของมนุษย์รู้ที่ยิ่งยอดของมนุษย์สําหรับตนเองก็เป็นอันจบๆเป็นประโยชน์คุณๆ แล้วก็สูงๆแต่ช่วยเหลือมนุษยชาติไปอีกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่า ดูแลช่วยโลกอยู่อย่างนั้นอีกต่อไปอีกนานนับไปมีสิทธิ์ที่จะไปทําอะไรท่านได้นะจะ และมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกที่อยู่รวมกันที่จะต้องรู้ก็เป็นสัตว์โลกที่อยู่รวม ให้ทําตามนั้นถ้าไม่ทําตามนั้นก็ลงโทษมี <c oughs> <c oughs> อยู่ไปก็ได้น่ะผู้ใดไม่ทําตามก็ถึงขั้นประหารชีวิตกันกับประหารไปก็อยู่อย่างนั้นวนเวียนแต่เค้าไม่รู้ไปถึงจิตวิญญาณ อะไรเป็นใหญ่เป็นใหญ่มโนปุพพังคมาธัมมามโนเสธามโนมยตาจิตวิญญาณเป็นใหญ่ที่สุดจิตวิญญาณ เป็นตัวผีหลอกเป็นตัวที่หลอกหลอนมนุษย์ทําทีเป พระองค์ก็ทําลายไม่ถูกตัวนะแค่วิจัยๆปฏิบัติประพฤติอบรมเพื่อที่เออมันตายมันเบา จะต้องรู้ต้องเห็นอย่างชัดเจนเลยของแต่ละคนแต่ 3 คําก็ 1 อาเสวนนา 2 ภาวนา 3 พหุ นี่เป็นอันสุดท้ายสําหรับผู้ที่มีสมาธิทิฐิแล้วบ่มีสมาธิทิฐิแล้ว เสพเสวนาเค้าก็เคยพูดเสพก็หมายความว่าต้องเจอกันไม่ใช่หนีนะต้องคบคุณต้องเจอต้องสัมผัสต้อง เปิดรับเป็นจิตรับวิธีมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็ทําให้มันไม่เที่ยงโดยที่ไม่เที่ยงอย่างละเป็นไปในทิศ ตามให้ความจางคลายตามให้ความลดละได้จริงๆถ้าเราทําแล้วเราเห็นอย่างนั้นจริง ภาวะเนี่ยแปลว่าการเกิดหรือการปรากฏๆน่ะเราต้องรู้ต้องเห็นมัน เป็นเทวดาอุปติเทพจนกระทั่งสามารถทําไปถึงวิสุทธิเทพสามารถให้ทํา ถ้ารู้เป็นสมาธิทิฐิแล้วถูกต้องแล้วรู้ว่าอะไรคืออะไรทําอย่างไรจะเจริญอย่างไรรู้อย่างชัดเจนแล้วคุณก็ฝึกจนเป็นอ่าฝึกต้องแบ่งแบ่ง รับหมดเต็มรอบอ่อนแอร์สู้ไม่ได้ต้องพากไม้ที่ชุบด้วยยางออก 3/4 4, 4 ไม่ได้เอามันครึ่งเดียวเอามันเศษไม 1/4 น่ะอ่อนนักถ้าไม่ได้ยิ่งกว่า 1/100 ก็ตามใจถ้ามันไม่ไหวจริงนั้นแล้วแต่นะนี่ก็เป็นหลักการ <fic ult> นักกุศลธรรมจะเจริญยิ่งในเขตที่หมายความว่าตั้งตนอยู่บนความลําบากนั้นเราก็ไม่ใช่บอกเอาซะจนลําบากจนกระทั่งมันเสียผลแพ้ เพราะงั้นต้องรู้จักความจริงภาวนาพหุลิกรรมังตั้งใจทําให้มากทําให้มันเจริญ นะอยู่เท่าเก่าไม่เอาเสื่อมเสมอๆเสมอ ทีนี้เมื่อเราได้กระทําแล้วได้ศึกษานี่อาตมาก็ยามซ้ําๆไม่แท้อะไรเราพูดนี่ทวนคือทวนสิ่งที่ได้พูด ก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่าชีวิตไม่มีได้หรอกความเจ็บความ คนอื่นแข็งแรงกว่าเรานะเราไม่แข็งแรงเราได้เท่านี้แต่เราก็แข็งแรงกว่าคนที่ สรุปแล้วในชีวิตนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าที่จะมา แล้วก็รู้จนกระทั่งรู้อาตมาว่าอาตมารู้มากอ่ะนะหลอก แต่เมื่อเรารู้แล้วเราก็ละเหตุพอละเหตุแล้วก็ๆเราก็จะรู้รู้จริงๆเลยญาณนี่คือญาณ เพราะงั้นมันจึงมีความแน่นอนมีความเที่ยงแท้มีความจริงว่าไม่ตกต่ําไม่ๆเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้แน่ ไอ้สิ่งที่มันหลอกเราว่าๆมันไม่จริงมันไม่ไม่ใช่ อ่าได้เห็นสวยๆนิสุดจริงๆโอ้โหสีแดงนี่มันสุกนะมันสวยตอนนี้เอออย่างนี้ ได้มาแล้วมันจะต้องเอาไปแสดงเอาไปโชว์นี่ต้องสแตนด์ไปโชว์เสียสตางค์ค่ารถค่าราค่าเอา ดีไม่ดีต้องซื้อตั๋วเข้าไปแสดงตัวเองอ่ะนะว่าค่าๆบอๆถึงขนาดนั้นจ้างก็ไปแม้ค่าเงิน<ห> เรเราไม่เห็นมีจริงๆจะเห็นได้มันเป็นความหลอกมันไม่ใช่เรื่องจริงๆแล้วแต่ได้เสพทั้ง รสชาติอร่อยทั้งลิ้นเนี่ยอะอร่อยรสนั้นรสนี้แม้กินที่ตัวเองติดนะแต่คนอื่นเค้าๆเลยแต่ตอนนี้เออลด <of> ญาติอาตมาพูด 2 3 มานี้อาตมาพูดจะเห็นสิ่งที่ชัดๆเช่นพริกเงี้ย มันแซ่บมันเผ็ดร้อนนะพริกเนี่ยมันง่ายชื่นใจว่างั้นนะคนติดก็แต่อ่าแต่พริกป่นนี่คน คืออาตมาเค้าพูดกันว่าเด็กเนี่ยเด็กจะเด็กช่างนี่น่ะดูเด็กๆมันก็ติดมันก็อร่อยแล้วอาตมาก็ไปนึกถึงพริกป่นแล้วก็ กลิ่นก็ไม่มีนะกลิ่นที่มันจะเหมือนพริกสดมันก็ไม่มีแล้วน่ะมีแต่เผ็ดอย่างมันเอามาทําไงพริกป่นมันก็ไอ้เราก็นึกเออเผ็ดนี่ ไม่จําไม่ได้แล้วอร่อยเผ็ดเนี่ยมันเป็นยังไงอาตมาเป็นคนอีสานนะกินเผ็ดเก่งนะ น่ะมันก็เข้าใจแล้วมันก็หวบๆมันก็อย่างที่ว่ามันถูก เมื่อไหร่มันก็ยังติดอยู่นั่นก็ต้องทําๆทําๆแล้วอ่านจริงๆอ่านละลดพัฒนาการเห็นภาวนาใหม่เห็นว่ามันเออจมูกทางลิ้นทางกายอะไรต่างๆนานาพวก ที่พูดนี่นามมาทําทั้งนั้นน่ะฟังแล้วใช่มั้ยเข้าใจนะมันเป็นนามมาทําจริงๆมันโอ้แล้วมันเออพอหมดแล้วละได้แล้วอาตมาไม่อร่อยในพริกอาตมา น่ะชีวิตก็สุกแล้วนี่มันว่างไปได้ตัดไปได้เลิกไปได้ก็สบายแล้วนี่อื่นก็เหมือนกันสวยเพราะรูปสวยเพราะเสียงไพเราะนี่กับพยายามที่จะทํากับเค้า ได้ฟื้นรสชาติไปฟื้นแล้วก็คํานวณประเมินแม้ตัวเราจะไม่ติดคืออย่างพ่อครัวแม่ครัวนี่บางทีเค้าก็ไม่ชอบรสอย่างนั้นของ แต่อาตมาอาตมาไม่ทําแล้วอาชีพแม่ครัวพ่อครัวอาตมามาปรุงพยายามปรุงแล้วก็ปรุงไม่ไหวแล้วปรุงไม่ขึ้นกับเค้าแล้วเนี่ยแหละสมัยใหม่มัน เราก็อย่างนี้เป็นต้นว่ามันไม่สมัยใหม่เพราะว่าเราเอาเถอะใครทําได้ก็ทําถ้าทําแทนได้ถ้าทําดีกว่าก็ทําไปละเมิงละครที่เล่น ก็ใช้อะไรที่พอช่วยได้อยู่บ้างทําก็ต้องมีไปอ่าอะไรที่พอช่วยได้อยู่บ้างพออาตมาก็ยังไม่ลืมหรอกอนงค์อันนี้ การปรุงปรุงอย่างที่เลยว่านี้ก็คือพยายามที่อภิสังขารปรุงอย่างวิสังขารจริง ทำนี่ทําเพื่ออันอื่นเค้าเพื่อเหตุอื่นเค้ามีเจตนาช่วยเหลือเค้ามีๆอันนี้คนเราก็ต้องทํา พระพุทธเจ้าท่านสะอาดผุดผ่องท่านไม่ต้องมานั่งอนุโลมอะไรกับใครท่านใครอะไรท่านมีผู้ติดรับช่วงถ้ามีผู้ติดรับทอดไปอีกตั้งหมู่กี่ทอดกี่ทอดทําได้หมด เหล่าที่ยังรู้ว่ามีส่วนล้อเลียนอยู่บ้างมีพูดความจริงบางคนก็ก็พูดว่าอย่างนี้ถ้า แค่นิดเดียวเดียวอ่ะนิดเดียวยังไม่ได้มากได้มาเลยเนี่ยนะ 20 กว่าปีแล้ว 25 26 ปีครับอาตมาบวชมา 26 ปีเกาะจับกลุ่มกันมาตั้งแต่ 16 ถึงปีนี้ก็ 24 แล้ว 24 ปีแล้วยังเห็นอยู่แค่นี้อ่ะมาบวชมา 26 ปีเกาะจับ ทำวัดฐีฟังเทศน์ทีอืมนับหัวได้นี่นับไปนับได้เออทั้งพระด้วยนะนี่ต้องนับให้หมดเลยนี่เด็กเล็กมาก็ยังมีเด็กมานั่งฟัง<ได> เออนี่ไปว่าท่านลองหรือไม่ได้ลองแล้วท่านก็จริงใจถ้า 70 พอดีเห็นมั้ยท่านเป็น เตือนใจนี่เป็นคนสั่งสมบุญสั่งไม่ไปทําอะไรไม่เบียดเบียนใครไม่เสียสละไม่เอาเปรียบไม่ๆ อ่าเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนแล้วก็ทํางานทําๆไปตามวิบากของใครของมันน่ะก็เป็นไปเพราะงั้นตายสบายไม่ได้มีความเดือดร้อนไม่ทุกข์ร้อนไม่อะไรมากมายมัน ท่านเตคาวะไปหน่อยก่อนทีเพราะว่าทางเนี่ยแวะออกไปนิดนึงพอวันไหนๆก็ออกไปโรงพยาบาลของเราแล้วก็ <ไ อ? S 1> แต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะคิดๆดูก็ว่าเออก็คงจะต้องพบกับอาตมาสักก่อนนะเนาะก่อนนะเออก็ขึ้นมาก็มาก็พยายามดูพบพอไปถึงก็เข้าขึ้นมาบนเตียงก็ค่อยๆให้ออกซิเจนให้อะไรขึ้นเจอก็มีอ่าหมอพดมาถึงมา มาดูก็ตรวจนั่นตรวจนี่แกกบเฟืองแล้วอ่ะเอาล่ะนาทีได้แล้วออก มา. มา 10 นาทีก็ชุดลงสะลงสะลง ย่อมเตือนใจในใจศรัทธาเต็มแล้วก็เชื่อเข้าใจ ทำได้เท่านั้นเท่านั้นก็ภาคเพียรทำสังสมไปเพราะฉะนั้นมีเวลาแกถึงก็ขยันแกถึงภาคเพียรทำตามที่แกเห็น ก็ทําถนัดอยู่แค่นั้นน่ะแกก็ทํามันแกอยู่ตลอดเวลา ไม่กินข้าวไปเฉยๆกินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่ลงแล้วก็ไม่มีแรง ตามได้มาแล้วอย่างอาตมาเนี่ยขนาดนี้มันก็ไม่น่าจะเสื่อมอย่างนี้ยากนะบางคนบารมีน้อยก็ตามแต่ว่าๆเป็นๆนะก็ เราอ่ะบอกว่าไปเข้าห้องน้ําแล้วก็จะตั้งใจจะเอา ทีนี้คนดูแลเห็นเข้ากับหมดแล้วหน้าปากเขียวหมดแล้วจะสีดหามขึ้นมาวันนี้ก็มาพอ คือเป็นคนมีบุญคือเป็นคนมีบุญนะแล้วก็เป็นคนเข้าใจชีวิตว่าชีวิตคน ตัดเอาผลไม้มาทําทําทําทําทุกวันทําเป็นงานประจําไม่ใครยิ้มอ่าจิตใจดีไม่ไม่กลัว คือไปสบายเข้าใจทุกอย่างเลยไปสบายเข้าใจทุกอย่างเลยเข้าใจไปก็ไป เอ่อหัวใจก็หยุดไปเองนะหัวใจก็หยุดเต้นไปหยุดไปเองธรรมดานะเป็นคน ก็เป็นหลักแล้วก็มีหลายคนเป็นหลักนะนักโยมเตือนอีกคนนึงบอกฟ้าภัยไม่ได้เป็น ตอนแรกก็ตัวเองก็ไม่อยากไปเข้าโรงพยาบาลไม่อยากกวนใครก็ไม่ไหวบอกว่าเออขาดธาตุ ช่วยในทางสมุฏฐานอันนี้ให้เพิ่มโปรตีนให้ได้ขึ้นมาเพียงพอซะก่อนก็ไป สังเคราะห์ไม่ทันอะไรมันก็ไม่ได้ก็ต้องให้ไปในปริมาณที่ค่อยๆทวีค่อยวิธีมันไม่วิธีเค้าก็พยายามหมอก็ได้แต่ไม่ได้จะฉีดเลยเนี่ยกําลังขนาดนี้สู้ไม่ได้ต้องกําลังแรงขนาด น่ะอย่างนี้เป็นต้นเค้าก็ต้องพยายามที่จะช่วยกันด้วยสมุฏฐานนั้นๆนั้นๆน่ะ ไม่ได้เรื่องเพราะว่าร่างกายของเรานี่คือแท่งโปรตีนนะนะแท่งโปรตีนเอ่อ อะไรก็ไม่รู้พริกมันไม่อร่อยสักก็หน่อยแสบอย่างเดียวยังกินได้กินคนปนกันเข้าไปคลุกเคล้าเข้าไปเนี่ยเอออร่อยแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ เรื่องพริกอย่างที่ว่านี่แซ่บจะตายแล้วไปหลงว่ามันอร่อยอย่างงี้ไอ้เนี่ยมันกินง่ายออกกันเติงเติงอย่าไม่แซ่บไม่เสิร์ฟอะไรเลยมันด้วยหอม สุขภาพร่างกายดีแล้วเนี่ยมันก็ดีทุกทั้งนั้นอัตมาเองอัตมานี่ทุกอะไรไม่ทุกอ่ะทุกเออ บอกว่าอย่าเจ็บนะมันก็ไม่ได้มันก็เจ็บของมันอยู่งั้นน่ะบอกว่า นั่นก็ไม่รู้จะไปเอาไปทิ้งยังไงมันก็ต้องเป็นจนกว่าจะรักษาอาการนั้นเกิดการสมดุลขึ้นมาหรือทําอโรคยาอโรคยาปรมาราพาโอ้การ พยายามรักษาร่างกายอ่าพยายามกินให้ดีเดี๋ยวนี้นี่น่ะอาหารโปรตีนโปรตีนแปลว่าสิ่งสําคัญ ตรงกันเลยก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งว่าอาหารต้องรู้ว่า คนอารมณ์อย่างโยมเตือนนี่อาตมาว่าอารมณ์ไม่มีปัญหาอารมณ์เป็นสุขแต่อาหารๆมันไม่ได้กินมันมาเด <cht? S 1> 6, 6, 6 เดือนฮะเด 5 6, 6 เดือนแล้ววิบากอ่ะ ก็กินมาตั้งแต่เล็กจนแก่อ่ะก็กินมันจะไปก็ใครกินไม่เป็นน่ะกินคร่องแคล่วกันทั้งนั้นน่ะแต่พอเวลาๆนานามันไม่ก็เลย อากาศที่นี่เนี่ยดีแล้วมันไม่ได้เป็นพิษแม้มันจะกลิ่นขี้ไม่ใช่พิษอ่าแต่ในกรุงเทพฯซะอีกอากาศดีนะทํางานทําการออกกําลังกายแทนที่เราจะออกกําลังกายเท่านั้นก็ทํางานทําการได้ออกกําลังกายด้วย ไม่ใช่แกล้งชมเป็นเรื่องที่ถ้าคนไหนรู้แล้วเป็นคนเอาใจใส่การงานละเอาจริงเอาจังละขมักขะเม้นเป็นคนที่เป็นหลักจริงๆเลยทํางานเป็นหลักทํางานเป็นระเบียบเป็น มุ่งมั่นนี่ไม่นานไปตามลำดับ 40 เอ้อ 20 ศรัทธามุ่งเอ 40 แต่ 20 เองแต่ ละแลเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาไอ้ปัญญาเลี่ยงๆไปด้วยเนี่ยมันจะพาให้เสียเวลา 80 มิตตกิจริยเนี่ยเดี๋ยวก็เอ๊ะนี่ก็ถาดดีนะไอ้นี่ก็ถาดดีนะเสียเวลาเวลาไป เอ่อยืนหยัดยืนหยันเนี่ยสิ่งนี้มันทําให้มันพัฒนาไปข้างหน้าได้นะเพราะถ้าสั่งด้านแหละโลกีย์ เพราะงั้นเราเอียงมาทางโลกุตระหน่อยโลกีย์เราก็มีพอสมควรก็ ยิ่งเราเองเรามาสอนไม่ให้ติดก็เลยไม่ค่อยงานก็งานก็อร่อยหูจมูกลิ้นกายใจเล่นไอ้ทํางานกับ เพราะฉะนั้นบางคนบอกโอ้เสียเวลาไปเล่นทําไมคน นะเล่นก็เล่นก็แต่มันก็ไม่เหมือนเล่นๆกับเพื่ออนุโลมคนอื่นนั้นๆหนักๆเข้าที่ไปงาน มันมันตรึงมันอะไรๆมันฟาร์มเล่นมันฟาร์มเพราะงั้นทํางานมันจึงอ่าเหนื่อยกว่าที่จะเล่นเพราะคนเล่นแม้เหนื่อยมันก็หยุดทํางานถึงหอบแล้วแล้วก็ มันธรรมดาแล้วถึงหอบแล้วนี่นะทํางานนะหยุดเป็นนานแล้วแต่ถ้าเล่นล่ะโอ้โหยิงอยู่ในหอบไส้ มันต่างกันนี่มันนี่พูดมาก็ทุกคนก็เข้าใจยิ่งคนทุกคนเนี่ยไม่ต่อไม่ต่อใช่มั้ยถึงขั้นหอบแล้วไม่ คนเราถ้าบอกว่าทํางานเนี่ยมันทํา รู้จักสาระเป็นสาระรู้จักสิ่งที่ไม่ใช่สาระไม่ อ่าญี่ปุ่นก็โซบะอะไรเนี่ยเนาะอะไรเอ่ออิตาลีก็มักกะโรนีอะไรเนี่ยนะ so ba Vegetarian ขึ้น เพนโซนน่ะต้องเป็นเจ้ามังสวิรัตเลยทุกวันนี้นี่เค้าดูถูกอ่านี่เค้าก็ว่านี่ล่ะโอ้โห เตือนหน้าจะมัดเลยก่อนจะไปนานหมอเข้ามานะโยมเนี่ยจะต้องบํารุงถึงยังไงยังไงก็ต้องขอไว้นะว่ามัน แคลนหน้าแหกเป็นริ้วๆเลยคายขึ้นหน้าเห็นมั้ยอ๋อคนหมอที่ดูแลค่าอยู่หมอที่นครราชสีมาก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเออนี่แหละกินแมงสว่านก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเค้าดูได้ได้อด โถฟืนกินฝึกกินทําได้บ่โถกินข้าวขาวถ้าฝึกมาดีแล้วคุณจะรู้สึกเรากินมีข้าวนี่ไงมันมีธาตุเลย คุณจะรู้สึกเลยกินแป้งแท้ๆเหมือนกับคุณไปกินเส้นเปล่าๆเนี่ยมันกิน แต่กลับไปชอบจริงสิ่งที่ไม่จืดอย่างอื่นที่เติมรสอื่นเติมเปรี้ยวเติมเค็มเติมหวานเติมอะไรแสไอ้เส้นจืดๆไอ้นี่มากินไอ้ที่มันไม่ใช่รสไปเพราะเขาว่าเราก็มีรสจืดมากินข้าวกล้อง เกมมันซับซ้อนไปซับ 9 9 อย่างมันจะครบจะ 9 ได้เนี่ย 8 ที่ 9 นี่จะต้องได้งานี้ให้ ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้เราสร้างเองไม่ได้กรดอนธิปฏิการ่างกายขนสั่งไม่ได้ต้องเพราะอย่าให้ก็ขอสรุปนะวันนี้ก็คงไปถึง 18:00 แล้วเดี๋ยวจะเทศทางไปโรง น่ะแม้งานก็อะไรก็ยังไม่ทูไม่ไถยังไม่ไปไหนเลยเออบาดนี้นี่วันที่ 5 วันที่อะไรบ้างก็เอ้าก็เอาละครกันก็พยายามตั้งใจถึงแม้จะเป็นละครระเมง แสดงแล้วก็มีความพร้อมมีความเอาใจใส่เด็กๆก็เหมือนกันพยายามเอาใจใส่รู้จักงานรู้จัก มีอิทธิบาทอันสมบูรณ์รู้จักความเอาใจใส่เท่านั้นเท่านี้ขยันก็ต้องให้มาก ถ้าไม่เต็มใจไม่พอใจไม่ยินดีแล้วยากก็ยากเพราะฉะนั้นถึงทําแล้วเรารู้ต้องการเนี่ย อย่างเต็มใจอย่างอร่อยเนี่ยเค้าถึงก็มีอัสสัททะเลยนะทั้งโลกเค้าฉันทะได้แล้วมันดีเว้ยมันเป็นมันก็ปรุงใส่เข้าไปเลย โอ้โหฉันทะตัวนี้ก็เลยแรงไงดิกลายเป็นกามเลยกามปัญชันทะไงอ่าเป็นกามปัญชันทะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมัวให้ใคร ถึงจะยังไงก็แล้วแต่ทําไปเถอะเท่าที่เราจะสามารถละครเป็นเนื้อหาเราเล่นได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ ภาคเพียงอุตสาหะทําไปเถอะไม่